มันไม่มีระบบที่จะทำความร้อนให้แก่ตัวมันจากภายในมันก็เลยต้องมาใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ถ้าเป็นธรรมชาติองสาตว์ประเภทนี้ต้องมานั่งหรือยืนหรือนอนปับแดดถ้าเห็นถ้าอยู่กันเป็นฝูงๆก็จะยิ่งชัดเจนก็ยิ่งหน้าคําก็เป็นอ่นี้ให้มนุษย์เราจะเรียกว่า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 แล้วท่านตอบท่านก็ตอบแบบเป็นกลางๆท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็เอาพราะคนเราทุกข์เพราะอวิชชาอวิชชาเป็นปัใจจัยให้สังขารสังขารเป็นปัใจจัยให้วิญญาณวิญญาณเป็นปัใจจัย้นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยสใสยตัญหะท่านก็ใช้หลักปฏิจจสมุปบานนะทนี่แหละก็คือว่ามันทุกข์เพราะมีอวิชชาอวิชชาก็ปุนแต่งปัจจัยเป็นปัจจัยที่สู่ลัดไปถึงเรื่องของภาษาเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติ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 ตีตราว่าชั่วไม่ดีเขาก็มีความดีของเขาอยู่นจะเป็นคนรักกตัญญูตอบพ่อแมแน่หรือว่าเป็นคนที่ยังมีความเฉสระกับพี่กับน้องอยู่มันก็มีหรือแม้กระทั่งความเมตตาความกรุณาก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเจริญงอกงามเท่าไหร่ในสิ่งที่เราทําก็คือเราพยายามที่จะไม่ไป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 มันก็พอกพูนสะสมมากขึ้นในตัวคนนั้นส่วนตัวคนที่ถูกกระทําความรุนแรงก็ค่อยๆส่งสั่งสมขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าเหมือนก็ว่าไอ้โพสะมันได้รับการบํารุงลดน้ําอยู่ประจำประจำมันก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาเสร็จ แ, แล้วมันก็หาทางไประบายกับคนอื่นที่อ่อนกว่าที่อายุอ่อนกว่าหรือว่า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 แต่เราต้องพยายามส่งเสริมทำฝ่ายกุศลให้ดีขึ้นให้เจริญงอกงามมากขึ้นมีเด็กไงเด็กในหมู่บ้านอินเดียนแดงเขาเห็นบ้านอินดีนแดงนี่เราก็รู้ว่าในอเมริกานี่มันถูกหลังแก่ถูกถูกถูกเหยียดย้ำโดยคนขาวก็มีข่าวหนึ่งก็มันก็มีเรื่องมีการทุบตีหลังแกเดีนแดงหลานก็สังเกตว่า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 ตัวหนึ่งเป็นตัวที่ไม่ชอบตังแกใครเป็นตัวที่มีเมตตากรุณาหลังก็ถามว่าแล้วตัวไหนจะชนะบูก็บอกว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราจะเลี้ยงให้อาหารจต่ตัวไหนเราจะให้อาหารจต่ตัวไหนถ้าเราให้อาหารจต่ตัวที่สองเนี่ยตัวที่สองคือความเมตตากรุณาก็ชนะแต่ถ้าเราให้อาหารจต่ตัวแรกคือโกรธโกรธบ่อยพยาบาทไอ้ตัวแรกมันก็